ตอนที่สิบสองค่ำคืนนั้นสท่ามกลางลมหนาวหวดหวิวในยามดึกสงัดบนพื้นหิมะสะเก็ดไฟปลิวว่อนไปทั่วฟ้ากระดาษเงินกระดาษทองที่กำลังมอดไม่กระจายไปเต็มพื้นท้าจู่กระหม่อมละอายใจต่อท่านเหลือเกินท้าจู่กระหม่อมไม่มีหน้าไปพบท่านแล้ว เสียงคร่ำครวญสองสายดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดภายใต้แสงไฟที่วู้บไหวชายชราสองคนในชุดไว้ทุกขุกเขา่าร้องให้โฮอยู่บนพื้นหิมะเบื้องหน้าของพวกเขามีป้ายวิญญาณไม้ตั้งอยู่หนึ่งแผน่นที่ด้านนอกลานบ้านแห่งนี้มีผู้คนยืนออ ก, กันอยู่นานแนะนำโดยชายไวกลางคนสองคนเมื่อได้ยินเสียงที่ดังออกมาจากข้างในพวกเขาก็มีสีหน้าวิตกกังวลอย่างยิ่งหลีกไปหนึ่งในนั้นทนไม่ไหวอีกต่อไปดวงตาฉายแววเฉียบคมจ้องมองไปยังเหล่าทหารเท่าไม่กี่คนที่ขวางทางอยู่ก่อนจตะตวาดเสียงกร้าว ท่นพอเพิ่งหายจากอาการป่วยหนักทนรับลมหนาวหิมะเช่นนี้ไม่ไหวหรอกนายน้อยใหญ่เผชิญหน้ากับการตวาดของชายไวกลางคนทหารเท้าที่เป็นหัวหน้าซึ่งคําไม่เท้าอยู่มือสันเทาอย่างรุนแรงหากไม่มีคําสั่งจากผู้นําตระกูลผู้ใดก็ห้ามเข้าใกล้หากคิดจะเข้าไปให้ได้ก็จงข้ามศพพวกข้าไปก่อนเถิดเจ้าชายไวกลางคนโกรธจัดจนตัวสันแต่เขาก็ไม่กล้าบุ่มบามเข้าไป เขารู้ดีว่าหากเขาฝืนฝาเข้าไปเหล่าทหารเท่าพวกนี้คงขวางเขาไว้ไม่ได้แต่พวกเขากล้าที่จะปลิดชีพตัวเองต่อหน้าสาธารณชนอย่างแน่นอนตามกฎทหารของราชวงศ์อวีผู้ใดที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแม่ทัพได้สำเร็จจะต้องรับโทษตามกฎอัยการศึกปู่จงให้หลานเข้าไปหน่อยได้หรือไม่ที่หน้าฝูงชนจงจือเดินกล้าออกมาพร้อมฝืนยิ้มกล่าวว่าหลานเทียงแค่อยากเข้าไปดูเท่านั้นขอแค่ท่านปู่ไม่เป็นอะไรหลานจะรีบออกมาทันทีดีหรือไม่นั่นสิขอรับ ชางเฟิงรีบกล่าวสมทบปู่ชางท่านเอ็ดูข้าที่สุดข่าขอเพียงแค่ได้เห็นท่านปู่สักแวบเดียวเท่านั้นได้หรือไม่ขอรับทั้งสองคนที่เดิมทีเข้าเว้อยู่ในพระราชาวังหวีได้แบกเสลี่ยงส่งจั ก, กรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ชูหลิงเข้าวังไปแล้วเมื่อทราบว่าปู่ของตนออกจากวังมาแล้วอยู่ด้วยกันและไม่ยอมพบหน้าผู้ใดพอฟ้ามืดท่านปู่ทั้งสองก็เริ่มร้องให้คร่ำครวญและพกกระดาษในลานบ้านทั้งสองจึงรีบแจ้งขอออกจากวังมาทันที ป่ากวงจงชวนและอานกวากงชางหลีแม้ทั้งสองจะออกจากราชสำนักไปพักผ่อนแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางหรือในกองทัพพวกเขาก็ยังมีอิทธิพลอย่างลึกซึง้งในสถานการณ์เช่นนี้หากทั้งสองท่านเกิดเป็นอะไรไปสถานการณ์ของราชวงศ์อวิย่อมต้องเกิดความระสำาราซึ่งไม่ใช่เรื่องดีต่อราชวงศ์อวียอย่างแน่นอนนายน้อยหากท่านอยากเข้าไปจริงๆก็จงพาบ่าวเท่าผู้นี้ไปด้วยเถิดจงสือคำไม้เท้ายิ้มพรางมองไปที่จงจือแล้วกล่าวว่าบ่าวเท่าผู้นี้ปู่จงหลานไม่เข้าแล้วขอรับ จงจือได้ยินเช่นนั้นก็รีบกล่าวตัดบททันทีเขารู้จักนิสัยของจงสือดีเกินไปและรู้ว่าจงสือเอ็นดูเขามากเพียงใดหากเขาพาจงสือเข้าไปด้วยจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจงจือแทบไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยบรรยากาศตกอยู่ในความเงียบงนัน ทุกคนในที่นั้นต่างมองไปยังประตูที่ปิดสนิทด้วยความร้อนใจแต่ไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าแม้แต่คนเดียวเมื่ออยู่ข้างนอกพวกเขาคือผู้มีฐานะสูงส่งอยู่ในจวนก็เป็นผู้ชี้ขาดแต่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าทหารเท่าเหล่านี้กลับไม่มีใครกล้าขัดขืนแม้แต่คนเดียวจงซือและทหารเท่าเหล่านี้คือองครักษ์ข้างกายของตระกูลจงและตระกูลชางแต่ในสายตาของจงชวนและชางหลีพวกเขาไม่ต่างจากพี่น้องร่วมสาบานคนเราเมื่อแก่ตัวหลงย่อมหนีไม่พ้นการหวนนึกถึงความหลัง ในตระกูลจงและตระกูลชางจะขัดใจใครก็ได้แม้แต่ตัวจงชวนหรือช่างหลีเองก็อาจจะไม่ว่าอะไรแต่หากใครกล้าขัดใจพวกจงสือจุดจบย่อมอนาถนักน้องเล็กเลิกร้องได้แล้วหีมะเริ่มตกลงมาอีกครั้งจงชวนที่ขอบตาแดงก่ำกำหมัดแน่นในเวลานี้ทั้งเจ้าและข้าจะเกิดเรื่องไม่ได้เด็ดขาดต่อให้ต้องตายก็ต้องรอไปอีกสักสองสามปีที่เจ็ท่านสืบรู้อะไรมังนั้นหรือช่างหลีฟังออกถึงในบางอย่างดวงตาฉายแววสังหารวูปหนึ่ง ตาสิงห้องตียังอยู่ในวัชกันจะเสด็จสวรรคตง่ายๆเช่นนี้ได้อย่างไรเป็นฝีมือใครบอกข้ามาข้าจะไปล้างบางพวกมันให้สิน้นไร้ร่องรอยจงชวนถอนหายใจเบาๆลงศพลวงของตาสิงห้องตีพวกเราทั้งคู่ต่างก็ได้เห็นแล้วไม่เหมือนถูกลอบประหารและไม่มีร่องรอยของการถูกพิษเรื่องนี้คงต้อง ค, อ ค, อคอ่อยๆสืบกันไปเป็นไปไม่ได้ช่างหลีกัดฟันกรอด ตอนที่ตาสิงห้องตี้ยังทรงพระชนชีพก่อนวันขึ้นปีใหม่ไม่นานเคยเสด็จประพาสเป็นการส่วนตัวมาที่จวนของพวกเราเพื่อพูดคุยเรื่องการศึกที่พรมแดนเหนือตอนนั้นต้าสิงห้องตี้ยังทรงมีพระพานามัยแข็งแรงไม่มีวิแววของอาการเจ็บป่วยเลยแม้แต่น้อยอยู่ดีดีเหตุใดถึงได้เสด็จสวรรคตยอย่างกะทันหันที่ตำหนักตาสิงได้เล่า หากไม่ใช่พระพี่เจ็ห้าไม่ฆ่าคงสั่งจับคนในราชสำนักฝ่ายในมาเค้นความจริงให้หมดแล้วต้าสิงห้องตี้ทรงถอดแบบมาจากเทจูที่สุดต้าอาวีพานการปกครองของไท้ยจงจนสะสมรลักฐานไว้มากมายหากพอแล้วช่างหลียังพูดไม่ทันจบจงชวนก็ตวาดขึ้นตอนนี้พูดเรื่องพวกนี้จะมีประโยชน์อันใดหากทําเช่นนั้นจริงๆเจ้าอยากให้หลักฐานที่เทจูทรงสร้าง ม, มาต้องพินาศซิ่งนั้นหรือเจ้าอยากให้ราชวงศ์อวีต้องล่มสลายลงนั้นหรือชางหลีนิ่งเงียบไป ในฐานะกลุ่มคนรุ่นแรกที่ติดตามเทจูทั้งสิาคนต่างมีนิสัยโดดเด่นเฉพาะตัวจงชวนนั้นสุขุมเยือกเย็นส่วนชางหลีนั้นมุทะลุดุดันในบรรดาสิองกงในปัจจุบันหากจะถามมหาผู้ที่มีชื่อเสียงด้านความโหดเที่ยมที่สุดย่อมหนีไม่พ้นชางหลีสงครามครั้งสำคัญที่ชีชะตาของราชวงศ์อวี๋หลายครั้งมีสาครั้งที่เป็นฝีมือของชางหลีและในสงครามทั้งสามครั้งนั้นทุกครั้งชางหลีจะออกคำสั่งสังหารล้างเมืองฆ่าฟันผู้คนไปมากมายมหาศาลในใต้ล่าใครบ้างจะไม่รู้จักชื่อของ จอมสังหารมนุษย์ชังหลีและอาจเป็นพระมือเปื้อนเลือดมากเกินไปชังหลีจึงล้มป่วยด้วยโรคประหลาดและในบรรดาลูกหลานตระกูลชางมีมากกว่าสิบคนที่ต้องจบชีวิตลงตั้งแต่วัยหนุ่มในบรรดาสิองกงตระกูลชางจึงมีลูกหลานน้อยที่สุดนี่อาจจะเป็นผลกรรมที่ตามสนองน้องเล็กจะต้องมีชีวิตอยู่ต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีจงชวนถอนหายใจยาวพลางกุมมือชังหลีพยุงตัวลุกขึ้นอย่างสันเทาต้าอาวีในยามนี้ขาดค่า จ, จงชวนได้แต่จะขาดเจ้าไปไม่ได้เด็ดขาด จักรพรรดิผู้สืบราชสันติวงศ์ยังทรงพระเยาว์นักภายใต้สถานการณ์เช่นนี้กลับถูกเลือกให้เป็นประมุขคนใหม่หากในช่วงเวลานี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอีกหรือมีใครคิดจะถอดถอนฮ่องเต้เมื่อนั้นต้าอาวี๋คงถึงการอาวสานจริงๆใครกล้าดวงตาของช่างหลีใช้แววเฉียบคมต้าอาวี๋คือสิ่งที่พวกเราติดตามเทจู่สร้างขึ้นมาคือเลือดเนื้อเชื้อเคือยทั้งชีวิตของเทจู่และเ ท, จ, ะทจงหากใครกล้าน่าเสียดายที่โลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วจงชวนทอดถอนใจ ถ้าจุดตรัสไว้ถูกต้องแล้วจิตใจคนเรานั้นเปลี่ยนกันได้ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพนั้นแฟนเพียงใดเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างก็ย่อมเปลี่ยนไปสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่มั่นคงพวกเราต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงอย่างสงบหากจั ก, กรพรรดิผู้สืบรชาชสันติวงศ์ไม่อาจาแบกรับภาระอันหนักอึ้งนี้ได้จริงๆเมื่อนั้นพวกเราก็ต้องเตรียมการล่วงหน้าพี่เจ็ท่านคงไม่ได้คิดจะ้ะช่างหลีคล้ายจะนึกอะไรบางอย่างออกจึงมองไปที่จงชวนด้วยความตกตะลึงดึกมากแล้วพักผ่อนเสียเถิด จงชวนกล่าวตัดบทพรุ่งนี้พวกเรายังต้องเข้าวังไปส่งต้าสิงหงตี้ในฐานะข้าราชบริพารพวกเราจะแสดงความไม่เคารพไม่ได้เด็ดขาดผู้จบจงชวนก็หันหลังเดินจากไปเท้จูภาระที่ท่านฝากฝังไว้นี้ช่างหนักอึ้งเหลือเกินจงชวนเดินไปท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายในใจเต็มไปด้วยความคิดคำนึงมากมายสําหรับเทพสงครามแห่งต้าอาวีผู้นี้ไม่ว่าจะผาเผชิญกับสถานการณ์กับขันเพียงใดเขาไม่เคยหวาดกลัวแต่ในยามนี้ท่ามกลางพายุที่กําลังก่อตัวขึ้นลึกๆในใจของเขากลับเกิดความหวาดหวัน่น เพราะเขาพบว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยสิ่งที่พวกเขาเคยรังเกียจในอดีตดูเหมือนกำลังจะค่อยๆกลับมาและเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ตัวเขาที่มีตำแหน่งสูงส่งกลับรู้สึกร้กำลังที่จะต่อต้านช่างหน้าขันสิ้นดี